แหละใช่คุณไม่บรรลุชาตินี้คุณก็บรรลุชาติหน้าแหะไม่ได้บรรลุกลับนี้คุณก็บรรลุกลับหน้าแ่ะถ้าอย่างงี้อาจใช่แล้วนะถ้าคุยถ้าคุย ล, ลักษณะแบบนั้นว่าเออทำปริญญาเป็นปัจจัยให้บรรลุใช่ไหมบอกว่าใช่แต่เมื่อไหร่ข้าพเจ้าไม่รับรองนะก่ก็แล้วแต่คุณเองเหมือนกันเถอะแต่ถ้าคุยไม่ประเด็นว่าถ้าจะดับจริงๆรนะนะถ้ากระถาที่ผู้การพูดเนี่ยนะ ท, ที่ที่ตั้งไว้ในตอนแรกคือถ้าดับจริงๆเนี่ยมันแค่ไหนจริงก็เรียกว่าดับจริง เขบอกว่าเมื่อแทงตลอดจากขุนิโรดจริงนุแหละจิงจากเนี่ยอย่างสูตรเนี่ยเอาอยกตัวอย่างเช่นชาวนะปัญญานะผู้ที่มีปัญญาไว้นี่คืออย่างไร mm. ก็ความในปฏิสัมพิธามักปัญญาคาถาที่อัตกถาลักษณะสูตรยกมาว่าชวนะปัญญาเนี่ยนะคือปัญญาเล่นหรือปัญญาไว้เนี่ยเป็นฉไงชานะวนะปัญญาก็คือปัญญาที่พิจารณารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอยา่าละเอียดเลวประณีต ไปหรือใกล้รูปนั้นทั้งหมดก็แล่นไปโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่แล่นโดยความเป็นของเที่ยงแล่นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่แล่นโดยความเป็นสุขแล่นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่แล่นโดยความเป็นอัตตาอันนี้เรื่องจักขุอันนี้จะพูดยกตัวอย่างเฉพาะรูปอย่างเดียวนะแล้วก็พิจารณารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นแหละไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะหาสาระไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็ตรึกพิจารณาทําให้แจ้งทําให้เป็นจริงแล่นไปเร็วในพระนิพพานอันเป็นที่ดับเสียซึ่งรูปโดยไม่เหลื อ, อ น, นั่นแหละถ้าดับจริงๆก็เมื่อแล่นไปสู่นิพพานแล้วนั่นแหละจึงจะดับได้จริงๆเพราะในระหว่างถามว่าการพิจารณาเพื่อเบื่อหนาย ใ, ในคลายกำหนัดเป็นปัจจัยเพื่อแทงตลอดพระนิพพานหรือไม่บอกเป็นเนี่ยนะแต่เมื่อไร่อีกเรื่องหนึ่งละวางนั้นก็อย่างที่ข้ามาบอกว่าผู้ที่เงี่ยโสดลงฟังธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว เขาก็เชื่อว่ามีส่วนที่จะได้บรรลุหรือผู้ที่กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าเขาก็เชื่อว่ามีส่วนที่จะได้บรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าแต่เมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งนะไม่ได้รับไม่ได้พูดในแง่นี้แต่พูดว่ามีส่วนนั่นแหละนะส่วนแบ่งเค้กชิ้นนี้จะได้เมื่อไร่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เชื่อว่าได้ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนแบ่งแล้วนั่นนะที่จริงเมื่อกี้ผู้บุญเจ้าแสดงบอกว่าที่พูดว่าเบชนาที่ ที่มีภาษะเป็นปัจจัยใช่ไหมเจ้าคะ่ะทําให้เกิดเวทนา ท, ทวารทั้งห้าตัวนี้ทางทวารกายเนี่ยดิฉันกําลังสงสัยว่าเขาไม่ได้มีอุเบกขาเวทนาเขามีทุกข์กับสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอ่อทางทวารกายนี้ก็เป็นปะัป ะ, ะเปป็นัจจัยให้เกิดเวทนาอุเบกขาในสัมปติชนะสันติระนาโวทพนะัพะอ๋อเหรอเจ้าคะ่ะใช่ ไม่จําเป็นต้องสัมปยุตตะปัจจัยอนะที่เรียกว่าเวทนาที่มีภาษะเป็นปัจจัยนั้นไม่จําเป็นต้องสัมปยุตตะปัจจัยก็แบ่งง่ายๆว่าสัมปยุตตะหนึ่งสองอนันตระสามอุปนิสยะเนี่ยนะ ก, ก, ก็จะพูดอยู่กว้างๆไว้เท่านี้คือคืออะไรอ่ะการขยายผลระยะยาวเนี่ยโดยทั่วๆไปก็จะไม่ค่อยยกมาเพราะอะไรเพราะว่ามันกว้างขวางเหลือเกินมันกว้างขวางเหลือเกินที่จะพูดไล่ทีเดียวให้มันจบสินนะ้นเล ดีว่าของมาไม่ได้เอาเอาเอา่ามีกระดานเขียนนะถ้าเขียนให้ดูแล้วจะรู้ว่าโอ้โหทํำไมมันแตกตัวอย่างนี้คือดั้งเดิมที่เรียนมาแต่ก่อนนะเจ้าค่ะเพราะว่าเวทนาที่เป็นชาติวิบากเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะว่าเขาเป็นชาติวิบากเป็นอพยกตเคือคําว่าทําอะไรนี่คื อ, อยังไงไม่เข้าใจคําว่าทำํำไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลแล้วก็ คือเข้าใจนะเพราะว่าพ <c oughs> ระธรรมโดยทั่วๆ่วไปเนี่ยไม่ได้เรียนหรือพิจารณาพระธรรมว่าพูดถึงธรรมะเหล่านั้นในฐานะอะไรคือคือถ้าย้อนกลับมาต้นต้นเขาเลยนะหนึ่งเรื่องอภินยธรรมปรินยธรญญยมรมปหาตาประธรรมสัจจกาตาประธรรมพาเวตประธรรมโครงสร้างตัวนี้ไม่มี เมื่อโครงสร้างตัวนี้ไม่มีเนี่ยนะทั้งห้าประการในสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะเราคุยเรื่องหนึ่งเนี่ยของมาบางทีก็งงเหมือนกันนะเขาพูดให้เป็นอะไรบางทีนะโอ้คุยกันเป็นจริงมันจังเอาเป็นเอาตายเลยนะบางทีนะเครียดอยู่ครึ่งวันเลยนะบางทีก็ยังสงสัยว่าคุณพูดให้มันเป็นอะไรเนี่ยคือพูดให้รู้ว่านี้ในฐานะปริญญาธรรมใช่ไหมพูดให้รู้ว่าเออนี่เป็น ปริญญาธรรมใช่ไหมนี่พูดเพื่อจะเป็นปหาตประธรรมใช่ไหมหรือว่านี้พูดเพื่อจะให้เป็นสัจชิกาตปรธรรมใช่ไหมหรือพูดจะพาเวตปธรรมส่วนไหนอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอย่างนั้นเมื่อไม่มีปั๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้จะพูดให้มันเป็นอะไรถ้าพูดในแง่กรรมเลยก็ต้องเอาอะไรนะกาลคติอุปทิประโยคนเข้ามาประกอบอีกอย่างเงี้ยถ้าถ้าจะวิเคราะห์ให้เป็นเรื่องกรรมไปอะนะ ก็คืออย่างอย่างที่บางทีเนี่ยอย่างของมาไม่ได้ดูหมิ่นนะแต่เล่าให้ฟังว่าบางอย่างที่เขาคุยกันของมาไม่เก็บไปคิดหรอกขี้เกียจคิดเพราะเของมายังไม่รู้ว่าเขาทำให้มันเป็นอะไรอย่างไปเห็นเด็กเขาเล่นปั้นดิน่ะนะว่าไอ้หนูไอ้ไเล่นทําอะไรเนี่ก็เลยไปคิดตามแล้วเดี๋ยวเราจะป่วยมากกับเขาซะอีกนะจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งการสนทนาธรรมก็เหมือนกันบางแห่งนะเขาบอกโอ้สนธนาธรรมนะบอกว่าถ้าสนธนาธรรมนะมันต้องควรจะอินรี่ห้าเพิ่มขึ้นใช่ไหม ก็มาวัดผลดูนะพอคุยธรรมะจบหน้าดั้งกลับไปกันหมดเลยอย่างเงี้นนะแล้วมันอินรีย์ข้อไหนที่เรียกว่าสนธนาธรรมเนี่ยของมาก็เลยไม่ค่อยเชื่อว่าโอ้ที่คุยนีย่มันเป็นธรรมะเนีย่ยนะอันนี้คือคื อ, ค, อคือสิ่งที่ของมาคิดอยู่ส่วนใหญ่นี่แนวความคิดของมาจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะว่าอย่างเข า, อ า, าโอ้สนธนาธรรมนะแต่ว่าได้เวนกลับไป <laughs> สนทนาธรรมก็ไหนไมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วใช่ไหม หรือไม่ก็คุยพูดถึงสิ่งนั้นในฐานะเขาอะคืออะไรอย่างเช่นว่าถ้ามองในแง่ว่าเวทนาชาติวิบากในฐานะอภินโ ย, ยธรรมในฐานะปริญโ ย, ยธรรมในขณะเดียวกันก็การาวิเคราะห์โดยอภินโ ย, ยธรรมปริญโ ย, ยธรรมก็เพื่อละฉันทราคาในวัตถุนั้นซะคืออย่าไปอะไรอาวร์อะไรในวัตถุนั้นเลยเพราะค่าที่มันเป็นจริงเนี่ยมันมีอยู่เท่านั้นจริงๆ มันในฐานะวิปากวัฏมันเป็นผลของเหตุในอดีตแล้วเนี่ยนยแต่ว่าเหตุในผลในอดีตเหล่านี้เนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งขยายผลอันใหม่เนี่ยอย่าคิดนะว่าเวทนาเนี่ยในกายวิญญาณนี่ยอย่าคิดเรื่องเล็กน้อยนะเอาคิดง่ายๆอไงว่ายุงกัดอย่างเดียวเนี่ยเป็นที่มาของยากันยุงสารพัดชนิดในโลกเนี้เอาเพราะยุงกัดแท้ๆนะอย่าไปคิดว่าไอ้ยุงกัดนี่มันไม่ใช่เวทนาตัวนั้นอย่าคิดว่ามันเบาใช่ไหม เด็กบางคนนะ่ะถูกเขาตีมาครั้งเดียวเนี่ยเจ็บกายอยู่ครั้งเดียวนะแต่ว่ามันเจ็บใจเกือบตลอดชีพอย่าคิดว่าเวทนาเหล่านั้นไม่มันธรรมดานะมันเป็นปัจจัยอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยคือเนี่ยเขาจึงเรียกว่าอุปาทานขันถ้าเราฟังคําวิเคราะห์อุปาทานขันเราจะเข้าใจเลยอุปาทานขันแปลว่าขันที่เกิดจากอุปาทานนี่คือมาที่หนึ่งใช่ไหมในที่สองขันที่เป็นอารมณ์ของ อุปาทานในที่สามขันที่เป็นปัจจัยแก่อุปาทานโดยอุปนิสัยปัจจัยมันเขาจะเริ่มมองแบบเนี้ยเขาจะสิ่งเดียวเนี่ยเขาจะไม่มองแบบแบบอะไรนะแบบทื่อๆซื่อๆเลยพราะมายังบางทีนะสงสารวิชาธรรมะมากเลยในยุคหลังที่ศึกษากันเนี่ยนะเป็นวิชาเดียวที่ทื่อที่สุดถ้าเทียบกับวิชาอื่นนะเช่นค้าขายเนี่ยนะค้าขายเนี่ทื่อๆนะ ขายไปเขามีใครมาซื้อก็อราคาเท่านี้แล้วทื่อๆ อ, อ, อยู่กั้นนะพูดไต้องอะไรลนะ <c oughs> เป็นเขาเคร่งนึกหนึ่งอะกําหนดรู้อะไรธรรมะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะแค่ระ ล, ลึกรู้กําหนดรู้เนี่ยเของมาเป็นว่าทาไมมันตื้นที่สุดในโลกะนะอย่างที่หลายๆท่านก็ปรารพเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าแต่ว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้ตื้นอย่างนั้นหรอกเพราะพระองค์ได้ตรัสรู้มองสิ่งเดียวโดวยรอบเช่นว่า กายสัมผัสชาเวทนาเช่นสุขทุกข์เหล่านั้นใช่ไหมกายสัมผัสชาเวทนาสมุทัยกายสัมผัสชาเวทนานิโรธกายสัมผัสชาเวทนานิโรธคามินีปฏิปทากายสัมผัสชาเวทนานี้เป็นปริญญายธรรมกายสัมผัสชาเวทนาสมุทัยเป็นตหาตปธรรมกายสัมผัสชาเวทนานิโรธเป็นสัิกาตปธรรมกายสัมผัสชาเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาเป็น พาเวตาประทามกายสัมผัสชาเวทนานั้นเป็นทุกขติณยยธรรมคือเพื่อเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าทุกขเวทนาเป็นทุกขะทุกถ้าสุขเวทนาเป็นวิปริณามทุกขแล้วก็เป็นปัจจัยแห่งสังสารทุกข์ด้วยนะนะสุขทุกเหล่านั้นเป็นปัจจัยแห่งสังสารทุกข์ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเวทนาเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ที่เป็นปัจจัยอย่างดีต่อชาติชารามรณะแล้วก็เป็นอาหารชั้นดีของ โศกกะปริเทวะทุกขโทมนัดและอุปายาสโมทัยทั้งหลายเกิดโดยอาศัยอะไรก็อาศัยสุขทุกขหรือเวทนาเหล่านี้ตัณหานี่ชอบนักแรเนี่นะสโมทัยทั้งหลายยึดถือในสิ่งเหล่านี้นักแรแม้แต่เจ็บก็ยังบอกว่าเราเจ็บความเจ็บนี่มันของเราใช่ไหมยึดถือแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยปวดก็คนอื่นไม่ปวดเหมือนเรานี่ยบางคนนี่ก็ยังคิดแบบนั้นได้ใช่ไหมคุณไม่รู้หรอก่คุณไม่ได้ปวดเหมือนผมนี่เคยได้ยินไหมคําประเภทนี้ ก็ แ, แสดงว่าเขายึดถือโดยที่สุดแม้กระทั่งความความทุกเหล่านั้นอันนั้นแหละเป็นสมุทัยที่จะต้องละเพราะทุกเหล่านั้นเนี่ยนะทั้งสุขทั้งทุกเหล่านั้นเป็นอารามณปัจจัยของตามะตันหาเป็นอารามณปัจจัยของภวะตันหาและเป็นอารามณปัจจัยของวิภาวะตันหาเพราันแล้วที่สุดแห่งสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนแล้วมีเวทนาเหล่านี้เป็นอารมณ์แล้วอบรมโพธิปักขยธรรมสาบเจ็ได้อย่างไร นไอันนี้เป็นโจทย์ที่เรียกว่าวโหไปคิดอีกตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเลยคอมมาก็เอ้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรน er <k> <discontin ui> ี่เมื่อก่อนกันเ้อกายกายยสมุทรไทยกายยานีโรดกายยานีโรทักขามินีปฏิปทาเว้เราก็ถือว่าเก่งเลยนะเท่มากเลยอตอนหลังมันไม่ใช่นี่มันมีอะไรอยู่ในนั้นตั้งเยอะแยะเลยนะก็เห็นความเป็นเด็กของเราเรื่อยๆนะไอ้ก่อนเมื่อก่อนนี่เราก็ว่าเราเข้าใจอะไรเยอะแยะเลยเอ๊ะมันเด็กๆชัดๆเลยตอนนั้นน่ะ ก็ยังนึกว่าเราที่ไหนได้นะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกที่ต้องมาวิจัยกันเยอะแยะไปหมดเลย <S <S ถ้าจับปริญญาแบบนี้พ่านปรากฏก็อย่างที่อาจารย์สันติกล่าวเมื่อกี้ก้าวในเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละจึงจะปรากฏถ้าทําได้ตามนั้นจริงพ่านท่านจึงกล่าวว่าคติของผู้ที่ไม่เห็นพระนิพพานหรือไม่แทงตลอดอริยสัจไม่มีใครรับรองโดยที่สุดแม้ใครพระองค์ตรัสเทงนางที่ดาช่างหูกนอะเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเป็นต้นเนี่ยนะ ที่พ่ลงไปเนี่ยพ่อต้องการแสดงให้เป็นพระโสดาบันก่อนไม่งั้นไม่แน่นอนผูุ้ชนทั้งหลายเอาแน่นอนไม่ได้คือเหมือนอะไรในะใจของผุุ้ชนเนี่ยมันเอาเอ า, เอาเป็นจริงเป็นจังได้ไหมเอ้าอีกพักหนึ่งมันว่าจะเอาแล้วอีกพักหนึ่งไม่เอาละยังผู้การเล่าให้ฟังคำหนึ่งบอกว่ า, วายิ่งธุรกิจระดับสูงยิ่งเปลี่ยนเร็วเพางั้นยิ่งอะไรนะไอ้ซื้อขายที่ยิ่งแพงเท่าไหร่ยิ่งเปลี่ยนเร็วเท่านั้นนะนะหาความแน่นอนไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเลยนะ มีก็ลักษณะเนี่ยทาให้เห็นว่าการเจริญศุัทธธรรมนั้น อ, ะอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยของมาจะสงสัยแบบคุณตอนหลังไม่สงสยัยเพราะว่าเจอมากเหลือเกินในายพระยาบิดกบอกว่าแต่ละองค์ปฏิบัติเอาตายไปเข้าแรกทั้งหมดเลยแต่ว่าทำไมท่านจะต้องทําขนาดนั้นไอ้ของเราก็มันอะไรนะมันขี้เกียจอยู่แล้วนะเมื่อก่อนนี้ไม่เห็นอันนี้สงเลยว่าทำไมต้องทำงํำกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยนะทําไมจะต้องรีบอะไรขนาดนั้นค่อยๆทําก็ได้จะรีบไปไหน มีไหมบอกว่าเธอทั to to girls, ้งหลายเธอจะเร่ไปไหนอ่านเจอไหมในพระไตรปิฎกมีแต่จงลุกขึ้นโถิดจงนั่งเถิดประโยชน์อะไรด้วยการหลับเธอผู้เร่าร้อนด้วยโรคคือกิเลสมีประการต่างๆถูกลูกสอนคือราคาเสียแทงแล้วมันจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดเนี่ยนะก็มีแต่สอนประเภทนี้โน่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเป็นต้นเนี่ยมีแต่สั่งประเภทนี้อรพธาตุนิกรรมาธาตุปรักรมาธาตุเนี่ยโพธิญานเรามาได้มาด้วยสัมมปโยนิโสมานสิการโยนิโสสัมมปะทานเนี่ย แล้ตรงเธอจงอธิษฐานความเพียรว่าจะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกกรตามทีนี่มีแต่สอนว่าอย่างนี้ทำไมทําไมพระองค์มันกระตุ้นแรงขนาดนั้นว่าจะต้องขยันนะเอเธอไปพักซะบ้างแต่ภิกษุยังไม่พบเลยสํารอบตัณหานี้เป็นชื่อของพระนิพพานเพราะอริยมรตมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วจึงสํารอบตัณหาได้อย่างแท้จริงทันสํารอบตัณหาตัวนั้นเป็นชื่อของพระนิพพาน น, นี่พูดเป็นอะไรเขา้ามายังยังนึกเลยนะเขาอกาอยาตะปริญญานี่มันเป็นวิชาละอ่อนโบราณเขาจริงๆเลยอ่ะนะพูดตรงๆเลยนะแปลเป็นไทยๆว่าเป็นวิชานุบาลสมัยพุทธกาลเขาคนนุบาลเขาคิดเรื่องนี้กันเหมือนกันเขาคิดโน่นเขาฉับรรลุวันไหนเนี่ยทําไมเขาไม่บรรลุสักทีนั่นเขาคิดแต่เรื่องนั้นอนะนะั้นเราก็ไปจําเอาพุทธพจน์ ท, ที่เรียกว่าอะไรเนะี่ยเขาเกือบบรรลุกันอยู่แล้วเนี่ยมาถามเรื่องยาตะปริญญา ันนะั้พอมาฟังบางท่านอธิบายธรรมะนะเอาหัวข้อระดับสูงมาอธิบายเป็นตาะแตะหมดเลยอันนี้คือคือที่ไม่เห็นด้วยกับอาจารย์บางท่านไม่เห็นด้วยมานานแล้วเกือบสิบปีแล้วไม่ชอบเอามากๆเลยเอาธรรมะระดับสูงเนี่ยมาอธิบายเป็นอะไรอธิบายเป็นของต่ะแตะไปทุกเรื่องหมดอนะอธิบายหมายความว่าเรื่องนี้เป็นอัตกะถักคายได้ทุกเรื่องไปหยิบพุทธพจน์ ต, ตรงไหนมาก็อธิบายว่าเนี่ยระลึลกรู้พอแล้วจบกัน พุทธทั้งหมดในพระไตรปิฎกนี่อธิบายได้เท่านั้นแหละอันนี้ไม่เห็นด้วยมานอนเต็มทีแล้วบอกอะไรจะปาล์มน ะ, ะพระอาจารย์คะถ้าเราดูจากพระสูตรเรื่องที่ลูกชายเศรษฐีที่พ่อแม่ให้ไม่ให้เรียนหนังสือพ่อมีทรัพย์8ปดสิบโกดแล้วเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็ต้องเป็นขอทานแล้วพระองค์ก็บอกว่าถ้าเขาบวดเนี่ยเขาก็จะบรรลุอรหรันต แสดงว่าในชาติอดีตเขาจะต้องผ่านการทำปริญญามาเยอะมากผ่านวิปัสสนามาเยอะมากชาตินี้เขาถึงจะบรรลุอลหรหันต์ได้แต่ว่าพอพลาดทีเดียวก็ชาตินั้นก็เหมือนกับว่าฟาวไปเลยก็ เ, เหมือนกับว่าถ้าถ้าดูจากตัวอย่างนี้ก็เข้าใจที่พูาจารพูดเมื่อกี้ว่าเพราะฉะนั้นทำไมท่านถึงต้องแบบว่าเอาชีวิตข้าแรกเลยเพราะว่ากลัวว่า ถ้าเกิดชาตินี้เราไม่บรรลุแล้วที่เราวิปัสนาไว้นี่ก็ต้องฟาวไปเลยแต่ถ้าเกิดมาดูสูตรอื่นๆท่านก็จะแสดงว่าผู้ที่ทําวิปัสนาไว้มากหรือว่าสะสมอินทรีย์ไว้มากนี่ถ้าไม่บรรลุในชาตินี้ชาติต่อไปท่านก็จะเป็นประเภทบรรลุก่อนเพื่อนหรือว่าขึ้นสวรรค์ไปเป็นเทวดาก็ฟังธรรมนิดหน่อยก็บรรลุแล้วแล้วมันมันฟังดูสองอันนี้มันก็จะขัดขัดกันอยู่นะคะพระอาจารย์อ๋อเนีเหมือนอย่างว่าเนี่ยเรามาจะอุปมาให้ฟังอะนะ บอกเธอจงเรียนเธอขยันเรียนหนังสือไว้นะเธอจะได้เป็นใหญ่เป็นโต น, น, นะเธอก็จะประสบความสําเร็จในธุรกิจทําไมครูไม่สอนว่านะเศรษฐีคนนั้นนะล้มละลายไปแล้วเธอทําไมจะต้องมาเรียนอะไรมากมาไอคนนั้นก็เจ๊งไปแล้วไอคนนั้นก็เกือบล้มละลายนะั่นหนี้สินมันร่อมรอ้อมมันเรียนค้าขายมาไม่ได้ประสบความสําเร็จนะไอเจ้านี่มันเรียนบริหารมานะขาดทุนเนี่ยมีหลายร้อยล้านแล้วนะตอนเนี้ยครูเขาบอกนักเรียนอย่างนั้นไหมระดับมหาลายัยคุณล้านเขาสอนอย่างนั้นไหม ไม่มีมีแต่ชี้คือบางอย่างเนี่ยก็ด้วยเหตุผลหลายๆประการ น, ๆๆๆนักนั่นัะอาจจะบอกบ้างใช่ในความล้มเหลวอย่างนั้นนะอันนี้หมายความว่าระดับสูงแล้วนะแต่ถ้าระดับเนี่ยประถมมัธยมอุดมต้นๆเนี่ยเขาจะไม่พูดเรื่องนี้หรอกแล้วพูดอย่างนี้เด็กจะว่าไงเอาไม่เรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาก็หวังผลนะว่าชีน้นําสรนเสริญเนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรนะพูดแบบสำเนานผู้การก็คือบอกว่าอะไรนะจําหน่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์ คือหมายความว่าคือพูดกระตุ้นเหล่านั้นแล้วประสบความสําเร็จบ้างก็ดีแต่ว่าประสบความสําเร็จสักหนึ่งสองก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนีย่ยนะเพราะว่าการพูดธรรมะาก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องไปเข้าไปรับผิดชอบกับทุกคนอย่าลืมว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งกรรมมศกตาเนีย่ยนะศาตร์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจริงๆคือถ้าหากว่าเพียรถึงเต็มที่แล้วไม่บรรลุแล้วจะไปว่าอะไรเขา แต่ก็จริงนะอย่างกรณีเนี่ ย, ยพระภิกษุบางรูปเนี่ยตอนบวชนี่เรียนธรรมะเป็นจริงเป็นจังมากตอนหลังได้เหตุอันบางอย่างได้สึกไปเลยนะวัดก็ไม่เข้าอะไรก็ไม่เอาสักอย่างเลยนะอกุศลอย่างเดียวไม่ต้องอธิบายด้วยตอนบวชแหมมจะเป็นนิพพานให้ได้เลยศึกเข้าไปแล้วเนี่ยวัดก็ไม่เข้าทานแม้แต่ทานยังไม่ให้เลยนะั่นจะกล่าวไปยังถึงคุณชั้นสูงอะไรเนี่ยนะคืออย่างนั้นก็มีอยู่แล้วก็ไปชวนมาศึกษาอีกก็ไม่เอาละ ไม่ยอมโดยประการทั้งปวงเนี่ยเออนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉนั้นจึงสมควรแล้วที่จะไม่ประมาทเนี่ยนะจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะไม่ประมาทเพราะว่าพองษ์ก็ตรัสอยู่แล้วว่าผู้าศาสนาเป็นาศาสนาแห่งความไม่ประมาทใช่ไหมความประมาทเป็นทางหแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะพนอพงษ์จึงสอนให้รีบพาคเพียรเหมือนคนที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะเนี <Ą> ่ยนะว่าจะไปคอยผลัดเัน <ility> ๆๆๆประกันพุ่งอะ ประกาศบัประกาศพรุ่งอะไรอีกเล่าสังขารทั้งหลายมันไม่แน่อย่างนี้แลภพิสูจทั้งหลายมันมันเอาเอาเทว่าไปเอาความแน่นอนกับสังขารไม่ได้เมื่อสังขารไม่แน่นอนแล้วจิตเหล่านั้นโดยที่มีสังขารเหล่านั้นเป็นวัตถุ ก, กับอารมณ์แล้วจิตมันจะแน่นอนมาจากไหนเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่วิจิตจริงๆนะวิจิตจริงๆพระสารีบุตรนิชมพระเทวทัดมากโอ้โหยโขทิกะนี่มีปัญญามากมีฤทธิ์มากอย่างนั้นอย่างนี้นะ ตอนหลังพระพุทธเจ้าใช้ให้ภาษาดิบุตรไปประจานบอกก็เมื่อก่อนข้าพระองค์ชมท่านไว้เยอะแยะไปหมดแล้วตอนนี้จะไม่ให้ว่ า, า, อ, อ, อ, ยาอย่างงี้ข้าพระองค์จะทำใจยังไงเคยๆอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นว่า เ, เมื่อบรรลุ ค, คุณชั้นต่ำอย่าเพิ่งดีใจนนะนะอย่าเพิ่งดีใจว่าเราเั้นการพูดว่าโอ้ในตอนต้นๆ น, นะใครที่มาศึกษาเรื่องปริญญานะเราก็จะชมให้เขาฟังเลยใช่ไหม โอ้ยปริญญานะ่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่พอศึกษาระดับหนึ่งล้วก็เห็นเนี่แงกไม่เห็นเจริญก้าวหน้าเอาเองละกันนี้ก็เริ่มใช้ดีดใหม่ขมบ้างยกบ้างก็ว่าไปตามสมควรกับเหตุผลไปเนี่ยนะก็ก็อย่างนี้แหละธรรมะนะชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะไม่ค่อยมีสู่ตายตัวก็จึงเห็นเห็นคําสอนที่เราโพดชองเจ็เนี่ยนะขมในสมัยที่ควรขมยกในสมัยที่ควรยกประคองในสมัยที่ควรประคองเฉยในสมัยที่ควรเฉยเออเนี่ย หลักการเนี่ยแม่นดีที่สุดถูกต้องที่สุดเนี่ยนะข้อสุดท้ายใช่ไหมนนะพยายามให้โพชงเป็นไปอย่างสม่ําเสมอนั่นแหละคือข้อปฏิบัติในพระศาสนานี้ไม่ใช่ว่าข่มอย่างเดียว น, นะสรุปว่าแก้เลวหมดทุกเรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่อีกยกว่าแกดีไปทุกเรื่องก็ไม่ใช่อีกแล้วก็ปล่อยเฉยไม่ต้องไปสนใจทุกกรณีก็ไม่ใช่อีกอ น, นะไปจุนจาน้านซะทุกกรณีก็ไม่ใช่อีกเพราะอะไรนะ เอายากเหมือนกันนะท่านผู้ศาสนาเนี่ยขอมาจริงว่ายังไงก็เสื่อมเลยจึงพอมาคิดโดยแง่มุมใดๆนะมองไม่ออกว่าจะเจริญได้ยังไงวันนยุคนี้นะทําไมพระอาจารไม่ตอบคุณจานตาบอกมันเป็นที ล, าานละการละภาวนาแล้วครับก็คนอื่นก็ตอบไปเยอะแยะเขไม่เห็นได้ประโยชน์สักเท่าไหร่ก็เลยไม่ตอบตามคือเขาก็มีบางอย่างนะเขาบอกว่าถ้าฆ่าล้างโทษไม่ได้แล้วมันจะกำเริบเสิบสารหนักกว่าเดิม ตันหานี่เหมือนกันนะสมมุติถ้าเราสมมุติเราฆ่ามันไม่สําเร็จเนี่ยนะฆ่าตันหาไม่สําเร็จเนี่ยสมมุติว่าโหบางคนมันชอบอเมริกาเป็นชีวิตจิตใจแล้วตันหาพาเกิดในอเมริกาไปไหนต่อแต่เป็นทายาทประธานาธิบดีด้วยอ่ะกุศลตันหาไม่เกิดเนี่ยนี่กุศลเนี่ยที่เรามาแก่ๆอยู่ทุกวันเนี่ยผลของกุศลนั่นเนี่ยเนี่ยมานั่งสังเออสังเนเนี่ยผลบุญนะพามาเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะผลบาปไม่ได้มาอย่างนี้หรอก นี่ขนาดผลบุญนะ่ะมันอย่างอย่างนี้จะกล่าวไปยายถึงผลบาปเล่านั้นบุญประเภทวัตตะเนี่ยนะบุญประเภทวัตตะเนี่ยที่พระโพธิสัตว์กล่าวกับมารใช่ไหมถ้าหากว่าให้ท่านไปบอกคนที่เขาอยากได้บุญเนี่ยนะวังนั้นน่ะนะพงตรัสคํานั้นใช่ไหมว่าให้ให้ไปบอกกับคนที่เขาประสงค์บุญส่วนพระองค์ไม่ต้องการบุญคือไม่ต้องการบุญที่ให้ผลเป็นวัตตะถ้าหากว่าพระองค์ต้องการบุญที่เป็นวัตตะนั้นได้ในวสัญญาพับในพระองค์ก็เป็น ศาสดาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ระดับนั้นแล้วถึงขนาดอาจารย์นี้ยกให้เท่ากันเลยยกให้ให้เท่ากับตัวเองเลยเนี่ยนะแต่พระองค์บอกว่านี่มันให้ผลเป็นเนวสัญญาท่านไม่ต้องการแล้วก็ต้องเวียนกลับมาหาขันห้าอีกเนี่ยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นผลของบุญจึงมองไปอีกในหนึ่งก็ไม่น่าปรารถนาสักเท่าไร่เพราะผลของบุญเนี่ยนะอย่างมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยวันนี้เขาแย่งท็อฟฟี่กันแย่งขนมกันเนี่ยเพราะได้ผลของบุญนั้นเลยแย่งกันเลย ใช่ไหมเขาก็เกิดเป็นมนุษย์ด้วยผลของบุญใช่ไหมเขาก็เห็นผู้ให้ทานด้วยกุศลจิตผลบุญนะั้นมันมาให้ประจวบเลยกิเลสมันยอมไหมหล่ะไม่ยอมนะก็เลยไปแย่งมาสักสามสี่ชิ้นมาไอคนข้างหลังไปแย่งอันใหม่อันนี้ถูกแย่งไปอีกแล้วโอ้ยร้องไห้จะกระจงองงเงรงพรายไปหมดอย่าเลยเนี่ยคือคือนี่ผลบุญนะขนาดเนี้ยกิเลสมันมีกําลังเหลือเกินผลบุญนะ่ะมันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสสารพัดชนิด ท่านพระ อ, องค์จึงสอนอะไรนะกามมาทีนบต่อจากต่อจากอะไรนะแสดงอนุภูปิกถานะขึ้นต้นด้วยทางหนึ่งทาน 2, สองศีลสามสวรรค์พอได้สวรรค์แล้วก็เริ่มประกาศความเลวร้ายของวัตถุกามลนะเริ่มพูดความเลวร้ายของวัตถุกามอันนะั้นอย่างส ม, มัยอย่างกษัตริย์เนปาลที่เขาฆ่ากันกว่าจะขึ้นครองราชใช่ไหมนี่ถ้าไม่เกิดเป็นครองบอลลังนี่จะได้ตายไหมแต่คิดไปอีกในหนึ่งอันนะ เพราะเป็นพายาทแท้ๆเลยจริงๆเรียบเตรียมตัวตายได้เลยอย่างไงอย่างพระเจ้าชาติศัตรูขึ้นครองลานแกสังฆาพี่ลูกพี่ลูกน้องหมดเลยอลูกลูกอะไรนะลูกพ่อเดียวกันนี่แกสังฆาหมดเลยไม่พระเจ้าชาติศัตรูก็เหมือนกันพระเจ้าชาติอย่างพระอภัยกุมารที่บวชพ่ออะไรรู้ไหมอภัยกุมารเนี่ยก็พระชจ้าชาติศัตรูเล่นเตรียมเล่นงานศีละวะเถระคาถาเนี่ยพระศีละวะนี่ก็ลูกพระเจ้าพิมพิสาร น, นั่นก็ ผู้พระเจ้าชาติศัตรูเตรียมจะเล่นงานกันเลยหนีไปบวชกันกระจัดกระเจายไปหมดอ่นะ น, ะนี่เพราะเป็นเชื้อพระวง์แท้ๆเลยเดือดร้อนหมดแม้แต่พระเจ้าส่งในี่ฆ่าพี่น้องไปเยอะมากเลยนะฆ่าฆ่าฆ่าลูกพ่อเดียวกันเนี่ยฆ่าเกือบร้อยคนนะเพื่อที่ตัวเองจะได้ขึ้นครองบัลลังก์เนี่ยถามว่ามันขนาดไหนถ้าไม่เป็นเครือญาติสัอย่างเดียวต้องตายไหมเอานี่นะพ่อบุญให้ผลเกิดเป็นเชื้อพระวง์แท้ๆเลยนะดีในตอนแรกตอนเกิดมาเขายกย่องกันใหญ่เลย พอตอนหลังว่าแย่งชิ้นเนื้อแย่งเก้าอี้ตัวเดียวเนี่ยนะอะไรเกิดขึ้นโอยแ่กฆ่ากันในรนาดหมดเพราะนั้นก็เป็นอย่างนี้แหเพท่านวัตถุกรรมนั้นมองในแง่ระดับสุดท้ายเนี่ยเขามาเชื่อเลยนะคนบุญเก่าไม่มากทําบาปได้ไม่เยอะหรอกนะถ้าไม่ใช่นักบุญมาเกิดเนี่ยนะทําบาปไม่ได้ไม่มากอย่างสมมติว่าพวกกระเจาะ ก, กระเจอกมันฆ่าคนไนดะ้อย่างมากคนเดียวมันก็เข้าคุกเข่าตารางเลยใช่ไหมถ้าคนกระเจาะ ก, กระเจาะธรรมดาเนี่ยเอามีดไปจิ้มใครเข้าก็คนหนึ่งอนะนี โอ้ยถูกเข้าคุกตั้งนานแล้วถูกเขฟ้องตั้งสะบอมหมดอะแต่ถ้าพวกแบบบุญเก่ามาเยอะๆมีบุญมากมีอำนาจบ้างสั่งฆ่าคนไปครึ่งเมืองนะนะสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยกตัวอย่างเหมือนใครเหมือนในจอเดิลบันอยู่บุเนี่ยนะใช่ไหมมันสั่งฆ่าอัฟกานิสถานไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมก็นั่งกินเหล้าเมายาสบายมีความสุขหาเรื่องฆ่าคนอื่นต่ออนะอย่างนะี้อันนี้คือบุญเก่ามีมากจนถึงขนาดว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกไหม ถ้าไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะสั่งฆ่าไม่ได้เอาสั่งทําบาปขนาดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผลของบุญเนี่ยมันจึงไม่ได้หน้าพิศว่าศักดิ์เท่าไหร่อย่างที่ยังนึกนะว่าอานะแบบพระโพธิสัตว์ท่านว่านะครองราชยี่สิบปีใช่ไหมตกนรกกี่ปีแปดหมืนปีเนี่ยนะท่านเป็นพระพระราชาในเมืองพราราณสีนี่แหละยี่สิบปีตกนรกแปดหมื่นปีเนี่ยนะ mm hmm. นี่ดีขนาดพระราชาปกครองโดยธรรมนะ้วนะ นี่นถือว่าเป็นพระราชาชั้นดีนะพระราชาโพธิสัตว์เนี่ยนะเป็นพระราชาชั้นเลิศเลยแหละในขนาดนั้นยังติดได้แล้วนะกาไลติดมือติดม้ไมอ้อีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยนะกำไลบ้างอ่ะนะ <c oughs> นี่คือโทษของวัฏะมันเป็นอย่างนี้พันท่าวัตฏะมีส่วนดีอยู่บ้าง <c oughs> พระ อ, องค์ไม่สอนให้ละหรอกแต่ที่พระ อ, องค์สอนให้เห็นสวรรค์ <c oughs> เห็นอะไรเป็นต้นเนี่ยคือเขาจะได้ออกจากอากุศลหยับหยาบก่อนแล้วก็จะได้สอนให้ออกจากวัตฏะในระดับสูงอีกต่อไป เหรือลองให้ใครสรุปให้ฟังหน่อยที่เรื่องเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกๆเลยอะ่ะเรื่องเวทนาแต่เรื่องนี้ผมเจอนะชมเจอหลักฐานในอัตถกถาบอกไว้นะบอกว่าท่านเพ่งเล็งเวทนาในชาวนะท่านว่างั้นท่านมานี่มีหลักฐานชัดเจนนะแต่หลักฐานในอัตถกถา น, นะครับผมก็เลย ผมก็เลยมั่นใจเลยว่าเออต่อไปนี้สัพิจารณาก็หมาเความว่าเออตัวไม่ว่าจะเป็นจากกุัมปัตตชาวเวทนานี่นะเออมันมันเป็นเวทนาในในวิธีหลังๆเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าในชวนะก็แล้วกันโดยมากอำนาจจำนาจะเป็นกุศลหรืออกุศลในชวนะก็คในนี้อันนี้เจออยู่อันนี้ก็ในายถ้าใครอธิบรุษให้ฟังหน่อยได้ไหมก็ เ, เหมือนกับที่คุยกันเลยนะที่คุยเมื่อตอนกลางวั น, วนที่กบิลพัฒน์อะนะ ว่าอะไรเนี่ยแผลทางตาเนี่ยไปดูอักเสบกลับมาเลยเนี่ยทวารหูเนี่ยไปได้ยินเสียงมาปับ๊บอักเสบมาเลยนั่นแหละคือภาษาละถ้าไม่ภาษาตัวนั้นมานะเขาบอกว่าอย่างที่กล่าว่าพ้ ก, การเนี่ยดูง่ายมากวันไหนไปที่ทํางานมานะก็ดูหน้าก็รู้แล้ววันนี้ไปที่ทํางานกลับมาแล้วนะภาษานั้นกล่มนะไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ว่าตอนนี้ก็สบทรยมากเลยใช่ไหมพ่อแม่เพราะไม่ได้ไปติดเชื้อมา นี่แต่ว่าภาษาในเรื่องธรรมดาัรงนู้นน่าดั้มกลับมาเลยอ่ะว่างั้นอ่ะก่อนนี้น่ากลัวคุณนายผมน่ากลัวกล่ําเลยนะทั้งตาทั้งหูอยู่คนเดียวว่าไปเองก็เห็นก็เห็นความเป็นอินทรีย์ครับความเป็นอินทรีย์ของของของของทวาร น, น่ะเห็นว่าโอเ้เขายาใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะ ก็กล่าวได้ว่าเวทนาทั้งหลายนั่นเนี่ยเรียกได้เลยว่าถ้ามันต้นเหตุมาจากการประชุมทางตาก็มันก็จะเป็นจัดขุสัมผัสประชาวเวทนาก็ในชาดกเรื่องอยนี้นะชื่อนะอะไรเนี่ยพระเจ้ากุศลนี่นะกุรา ช, ชาดกใช่ไหข้อความที่ชอบนางอะไรนะประภาวดีนะตัวเองเนี่ยจะต้องไปเป็นคน เป็นนายเป็นพ่อครัวนะที่หาบอาหารเนี่ยจเป็นมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยกลายไปเป็นทค่เรียกว่าคนาธาตกรรมกรเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะติดในติดในภาษะคือสีเนี่ยนะสมมติท่านางตะภาวดีที่กล่าวว่าเนี่ยผมก็ร่วงหมดผิวหนังก็แผลเป็นหน้าผากเลยเจ็ดแห่งไนง จะต้องลงทุนอะไรมากมายขนาดนั้นไหมอย่างเงี้นีก็ไม่ใช่เพราะว่าถือว่าจากักขูสัมผัสเนี่ยนะได้อิทธารมที่น่าปรารถนาเนี่ยยอมตกรกรรมลําบากมากขนาดไหนอ่ะก็ก็อย่างว่านะครับผัสสะในแต่ละทวารนี่อย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะยิ่งใหญ่มากคนจะผูกเวรก็เพราะผัสสะทางตาเป็นต้นใช่ไหมผูกอากาตกันเลยนะหรือเพราะได้ยินเสียงเนี่ยเช่นเขาด่าวเรามาคําหนึ่งนะอย่างอะไรนะ นายอที่คุณการตารเล่าเรื่องไอเศรษฐีสร้างกุฏิถวายพระพุทธเจ้าใช่ไหมทีนี้เศรษฐีคนนี้เขาเศรษฐีใจบุญนี่วันหนึ่งแกก็เดินผ่านไปข้างทางไปเห็นในศาลาข้างทางก็เห็นเออคนนี้ข้าวมันเปื่อนโครนเนี่ยนะกินกลางคืนคำนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้นี่โจรโจรคนนี้บอกมันเหมือนกับกกงการอะไรของเศรษฐีแกเก็ลืมเปิดหน้ามาดูว่าโอ้เศรษฐีบอกรสชาตินี้นะถ้าไม่ได้เล่นงานแกคงไม่มีความสุข พอได้ยินเสียงคําเดียวว่าหากินบลางคืนเนี่ยก็พยาบาทเลยนะเขาก็เลยเผานาเจ็ดครั้งก็ไม่สะใจไม่ไม่สมกับความแคลนที่มีอยู่เลยก็เลยตัดขาโคในคอกอีกเจ็ดครั้งก็ไม่สะใจก็เลยไปสืบดูว่าเศรษฐีเนี่ยมีอะไรเขาประทับใจที่สุดบอกว่าเนี่ยเขามีศรัทธาสร้างทระคันโตกุติถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะะฉนั้นเข้าเลยดเีเขาบอกว่าถ้าทําลายกุติหลังนี้ได้เนี่ยเศรษฐีจะต้องเสียใจ ะนะก็จงประสบ ค, ความสําเร็จแก็เลยพอพระพุทธเจ้าไปบินทบาทพระสงฆ์ไปบินทบาทก็เข้าไปในวัดทุบหม้อทุบไห้ใส่น้ําทิ้งหมดมันก็สมไฟเผาพระขันทกุตีเสร็จแล้วพอสมไฟเสร็จอะไรเบ็ดเสร็จแกก็หนีไปไปแอ บ, บดูเศรษฐีคนนี้นจะไปไหนจะว่ายังไงถ้ามันพูดไม่ดีข้ามันเลยคันนี้จึงจะได้เลิกสะใจสักทีะนะจึงจะได้สะใจเพียงพอก็เลยพอเศรษฐีได้ฟังปั๊บตบมือดีใจเลยเขาบอกเออจะ ก็ไปที่ทําไปก็ได้บุญไปแล้วอ่ะดีซะอีกจะได้ทําใหม่เนี่ยนะก็เลยคิดอย่างเงี้ยตอนหลังนี้ก็ไอ้ชายคนนี้ก็บอกว่าถ้าไม่ได้ฆ่าเศรษฐีนี่ชีวิตนี้คงไม่มีความสุขเหมือนก็เลยเตรียมวางแผนจะฆ่าตอนหลังเศรษฐีก็สร้างกุฏิใหม่ถวายเป็นพุทธบูชาอันนะัเสร็จแล้วพอเศรษฐีกล่าวคําแรกคือขอยกบุญเนี้ยให้แก่เจ้าที่ผูกเวรครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้ก็เลยเสียใจมากบอกโหเศรษฐีนี่ไม่มีความพยาบาทเลย ก็เลยไปขอโทษเศรษฐีขอสมัครเป็นคนงานเศรษฐีก็บอกโอ้ยฉันไม่กล้ารับเพราะพูดแค่นี้นะก็ยังขนาดนี้เลยนะจะเอามาไว้ในบ้านจะขนาดไหนว่างั้นไปเถอะนะมันโทษที่ทําล่วงเกินท่านกับผมขอโทษด้วยนะที่พูดคํานั้นออกมาคิดดูนะได้ยินเสียงว่าหากินกลางคืนอยู่คําเดียวใช่ไหมโอ้โหผูกเวรกันขนาดไหนเรื่องเหล่านี้ไม่ไม่ใช่ธรรมดาร่างคนอื่นเขาเขาพูดกับเราแค่คำเดียวนะผูกเวรตั้งครึ่งเดือนอย่างเงี้ยนะ ไม่ชอบที่หน้าคนนั้นเป็นเดือนๆหรือหลายๆเดือนเนี่ยเพราะคําคําเดียวอันภาษาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยความประชุมแห่งธรรมสามประการอยากคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราไม่อที่เราควรปล่อยปละละเลยนะเชื่อเถอะภาษาไหนที่เรามองว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรนั่นแหละตัวดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนกับคนขับรถเร็วๆใช่ไหมขับมากๆ ก, ก็ไม่เห็นมีอะไรก็วิ่งไปเรื่อยเลยจนะคร่อมมาทีเดียวอะไรเกิดขึ้นนั่นนะโน่นา เกิดหมาเรียบร้อยแล้วเพราะงในไม่มีอะไรเนี่ยนะไม่มีอะไรเนี่ยมันอุบัติเหตุทางความคิดมันจะเกิดบ่อยมากอย่างอย่างที่คุณกันตาพูดนะว่าเพื่อนกันเนี่ยไม่มีอะไรจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละมันจะเริ่มมีแล้วมันก็จะเริ่มมีแล้วจริงๆก็เป็นอย่างนั้นด้วยท่านพระองค์จึงสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องเมตตาเรื่องความสามารถขีเรื่องความเห็นอกเห็นใจเรื่องสารานิยธรรมทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์จีงสอนให้ประพฤติหรือให้ตั้งอยู่ใน สารานิยธรรมมันก็สรุปว่าภาษานี้เป็นธรรมหนึ่งที่ควรทําปริญญาจริงๆที่ควรเอามาทําปริญญาเนี่ยนะความประชุมของแต่ละสามครั้งเนี่ยคือการประชุมแต่ละครั้งมันเหมือนกขาถามว่าไฟจะไหม้สักที่หนึ่งก็เกิดจากการไฟชอ็อตกันใช่ไหมภาษ์แต่ละครั้งก็เหมือนกับไฟชอ็อตเนี่ยนะที่จะไหม้ลุกลามอะไรได้หมดเลยมั้นภาษะแต่ละครั้งเนี่ยอย่างภาษะของเจ้าวิทูตภ ะ, ะนะ ครั้งเดียวที่ได้ยินว่าตัวเองเกิดลูกของนางทาตแล้วพวกนั้นรังเกียจตัวเองมากนะบอกว่าชาตินี้นะธาตุไม่ได้เอาเลือดสักยะมาล้างบัลลังก์นี่คงไม่มีความสุขจะผูกเว้นอย่างนั้นเลยนะยแล้วก็ในที่สุดก็ไปฆ่าล้างบางสักยะจริงๆเอาเลือดคอสักยะเนี่ยมาล้างไอ้ที่ตัวเองนั่งตรงนั้นอนะ่ะที่เคยดูหมิ่นตัวเองเนี่ยนั่นแหละแค่นั้นแนหะพันภส า, าทวารหูอันนั้นนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนใช่ไหมทำบาปมากมายอย่างอะไรนะกษัตริย์กบินละภาคเทวทห่าก็ทะเลาะ ก, กันเนี่ย เรื่องอะไรก็เรื่องจากขาธาทาสมันด่ากันเองก็บอกนายของแกเหรือสมสู่กันเหมือนมา้ามันจะแน่สักแค่ไหนพวกเอาพี่เอาน้องกันเนี่ยนะไอ้ฝั่งนนก็บอกไอ้พวกขี้เรื้อนว่า ง, งั้นอยู่ใต้ต้นกระเบามันจะแน่สักเท่าไหร่นะพวกนี้ก็ไปส่อเสียดให้หนายฟังบอกว่าดีละฉันจะโชว์เรี่ยวแรงของพี่น้องสังวาดกันให้ดู ไอ้ฝั่งโน้นก็บอกดูจะดูไอ้คนขี่เรือนดูที่มันมีแรงขนาดไหนก็ยกกองพับมาจะเล่นงานกันดีว่าพระพุทธเจ้ามาห้ามไว้ก่อนทำไมงั้นเนี่ยเลือดท่วมทุ่งเทวทัตท่วมอะไรนะแม่น้ําโคหินีแน่เนี่ยเพราะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้ทั้นภาษาแต่ละเรื่องนี่นะคําบางคำเนี่ฟังแล้วสะเทือนใจนอนไม่หลับอยู่ครึ่งคืนก็มีอย่าคิดว่าธรรมดาท่านภาษาแต่ละทวารเนี่ยยิ่งทวารไหนไม่ระวังนัทวาร น, นั้นเจ็บนักแล เพราะฉะนั้นการที่เราไปเพลินเพอเพลินไปชื่นชมยินดีในปิยรูปสารูปนั่นแหละนํามาซึ่งทุกดีนักและไปชื่นชมในปิยรูปสารูปนั้นจึงเป็นสมุทัยศัสตร์อย่างแท้จริงเป็นเหตุแห่งสังสาระทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยนะก่อนที่ผมไม่มีความเข้าใจเลยภาษาเนี่ยนะผมไม่เข้าใจจริงๆเลยบอกภาษามันเป็นนามธรรมด้วยนะอ้เราก็มองเป็นรูปนธรรมว่ามันชนกันใหญ่เลยเนะี่ย เออมันสัมผัสกันมันชนกันเนี่ยนะพระองค์ยังคิดว่ไม่ออกเอ้ยภาษามันเป็นนามธรรมเดี๋ยวนี้เราทราบซึ่งเลยในคําว่าภาษาเนี่ยทํำไมพระองค์จึงใช้ศัพท์นี้มาใช้ปัญญัชนนะขละนี้มาใช้คําว่าภาษาถ้าพูดถึงภาษาต้องมองเห็นภาพการประชุมกันจึงจะมองเห็นภาพจึงจะเข้าใจภาษานี้ได้ผู้ใด